พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16หมกราคม2 5งหมีชื่อเรื่องว่ามืดมาอย่ามืดไป โอเวลาเราอยู่ในวัดอยู่ในศาลาอยู่ทั้งในวัดเนี่รถแลนห้องป๋องยิ่งเหนือเลยมิดอิงติ่งเนยมาเท้าออกมาอยู่ศาลา น, นอกเหมือนดลูกหลานเลยแลนอยู่เยียรอยู่เยียร์ลดหลายขนาดกันออกไปพ่อปานอุดรกรุงเทพรถวะเออพาคณะสธา ญ, ญาติโยมลูกหลานไหว้พระสมาทานศีล น, นะวันนี้นะเป็นวันพระนะ พอยังอยู่ในปีใหม่อยู่ยพวกเรามาสู่วัดว า, าสนามาปีใหม่นะยังไม่สิ้นเดือนมกราเนมะี่ยจะเดี๋ยว่าอยู่ในเขตของปีใหม่ลูกหลานทั้งหลายควรประกอบคุณงามความดีควรจะตั้งหลักตั้งกดตั้งเกณฑ์ให้กับตนเองได้ข่าพาเจ้าจะทําความดีเท่านั้นในปีพศพุทธ ศ, ศ2559เนะี่ยตั้งแต่บัดนี้แหละตั้งแต่ ได้ไหว้พระสมาทานศิลที่วัดหลวงพ่อเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธปฏิมาพระพุทธ อ, องค์ดำเนี่ยพระพุทธอุดรมมงคลนพระพุทธอุดรมมงคลสอง่เป็นสิริเป็นมงคลข้าไปเจ้าจะงดบุหรีมันไม่มีประโยชน์อะไรไมิถะเผาเงินตัวเองกินเงินตัวเองเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกเป็นโรคปอดอีก เป็นมะเร็งปอดเองข้าพเจ้าจะงดปหรีเพราะดื่มเข้าไปแล้วก็เสียคู่เสียคนทะเลาะปิวาทครอบครัวพี่น้องลูกหลานเป็นคนไม่ดีข้าพเจ้าจะงดสุรานะเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่ดีในตัวของเรานะเน่ะเราขี้เกียจไหวพระข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันปีพุทธศั ก, ศกราช2559นะ ก่อนนอนข้าพเจ้าจะไหว้พระจังก่อนอย่างน้อยกับพุทธโธธรรมโมสังโฆสาธุนิพพานัง อ, อย่าค่อยนอนอข้าพเจ้าจะไม่จะไม่ลืมจะไหว้พระทุกวันก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับลูกหลานสําหรับตัวของเราทุกๆ ท, ท่านนั่นแนหะนั่นแนหะให้ตั้งต้นตั้งต้นใหม่ทนะ่านลูกหลานนะปีใหม่ปีพุทธศักราช25งพห้า ให้ตั้งต้นใหม่อย่างไหนที่มันดีทําดีเอาต่อไปปูหมวดนำไัยพระสมาทานศิลอิมินาสากาเลเนานางโบดังอาภิปูชยามาต่างใจสมาทานศิล์ วันนี้เป็นศีลพิเศษทั้งหน่อยนะคณะทายาทโยมเป็นศีลปีใหม่ปีใหม่วันที่ส6บหนะวันนี้นะกลางเดือนมกราพอดีส6บหมกราห้าเกเป็นวันพระด้วยเพราะนั้นเขียนคณะทายาิโยมลูกหลานมาจากจาตุรทิ์มาสู่วัดวา ศ, าศาสนาควรจะ ในการไหว้พระสมาฐานศินควรจะมีสัจจะอธิษฐานในจิตในใจของพวกเราข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีในปีพุทธศักราช 2,559 ข้าพเจ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจะงดเว้นข้าพเจ้าจะละเว้นข้าพเจ้าจะไม่ทำอกีกการพูดสิ่งไหนก็ตามที่เป็นการกระทบกระเทือน พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทําให้ไม่สบายใจทั้งท่านและเราและเราด้วยะทั้งท่านทั้งเราด้วยเราจะไม่ทำจริงนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ลูกหลานทุกคนทบทวนในการเป็นอยู่ของตนเองแต่วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งให้เป็นวันตั้งต้นข่าพระเจ้าจะมิตรไม่คิดฆ่าใครที่หลวงพ่อจะพาจะนำพานําสมมาทานศีล น, นะ ข้าไปเจ้าจะไม่คิดฆ่าจะเป็นฆ่าใครก็ตาม เ, เขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเดือดร้อนทั้งนั้นแหละถ้าเราไปขโมยเขาเขามาขาโมยของเราเราก็เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน เ, เมื่อเราไม่เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาลูกหลานคนคนอื่นเขาเขาก็ทุกข์ใจในเมื่อเขาไม่เคารพสิทธิ์สามีภรรยาของเราเราก็ทุกข์ใจเหมือนกัน ในเมื่อเขาเมื่อเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเข า, เ, าเขาก็เสียใจเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปดื่มสุราขันชายาฟิ่นเฮโรอีนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วมันน่ากลั ว, กลวยิ่งกว่าอะไรถ้ามีมีดมีปืนอยู่ในมือของเขานั้นนะพวกเราจะเข้าไปใกล้ได้ไหมเพราะมันขาดสติมันพร้อมที่จะทําร้ายทําลายพวกเราได้ทุกเวลา เพรนั้นเราก็รู้แก่ใจว่าเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มากก็ต้องน้อยล่ะอย่างน้อยก็ไม่รู้ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสํานึกไว้ในใจเพราะพุทธศาสนาสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความทิศไปในคิศใช้ความคิดไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกัน ในมวลมนุษยชาตินะถ้าพวกเราเป็นผู้มีสินเป็นผู้ไข่ควรทบทวนในความเป็นอยู่ของตนเองอยู่พวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกแต่พวกเราเห็นแก่ตัวจะเป็นใครคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่าง น, น่ะเขาก็ต่างคนก็ต่างมองผลที่สุด ใ, ใครเป็นคนไม่ดีเลย เขาก็จะต้องจัดการกับคนคนนั้นด้วยวิธีการวิธีการมากมายที่เขาจะจัดการอย่างบ่อๆเขาจงตับจับเข้าคุกเข้าตารางไว้ก่อนละนะเพราะเป็นคนไม่ดีนะเพราะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูพวกเราให้เป็นคนดีนะ <c oughs> ตอนนี้ไปเดี๋ยวสินเนี่แหละเป็นพื้นฐานที่ให้พวกเราเป็นคนดีได้คือสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละที่พวกพ่อจะเป็นผู้ผ่านนาเนี่ยแหละ ถ้าผู้ใดมีศีลห้าและไม่ติดคกุกไม่ติดตลางนะลูกหลานนะ <c oughs> จัดทายาิโยมนะต่อเ น, นี้ไ ป, ไปผงพ่อเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เลยนะนี่ภูติยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยอหลวงพ่อสราบคาวว่าแม่จัน ย่าิจัที่มาเป็นแม่ขั้วให้พวกวัดเท่าเป็นแม่ของครูบาดุงอาจา ร, รย์ดุงแม่ครูบาเตือนพนตายเป็นระเดมมรณะเลยเนอะหมู่ว่านเมื่อกรแต่สิเบเผามันวันอาทิตย์ที่สิเจ็กับโคงจะเผาเมือ่อื่นพวกเฮาพวกไดที่หู่จักมักขุนกระเพินทั้งในครัวก็เห็ท่านน่อยเบงิงเบิอะทางแม่ขั้วสิไป งานจบของเพลนยังไดแต่หลวงพ่อจะเบ่งสุขภาพของตัวเองก่อนหลวงพ่อจะไปไสูุ่้มือต้องเบิงเนี่ยต้องตราตรวจตราดตัวจสุขภาพก่อนไปใดบ่ไปไหวบ่อทำมันเบิงเบิงมันไปบ่อไหวมันเพ่มันเพียมันเมื่อยมันสุขภาพบ่ทานหลวงพ่อจะบ่อไปเนี่เพราะเหตุไรป้อนไปจะเป็นผ้าละของ ญาติของโยมของหลูกของล้านของผู้ที่เกี่ยวของเพราะนั้นหลวงพ่อทีไปรู้ใจหลวงพ่อต้องคิดคิดแล้วคิดอีกว่าไปใดบอกยังค่อยไปได้วยพนันในพวกลูกลานเนอเท่าผู้เท่าก็มีบุญคุณกับวัดว่าเลี่ยงพะระเลี่ยงแน่นเลี่ยงญาติเลี่ยงโยมเลี่ยงขู่เลี่ยงข้นมาทําอาหงอาหารหลายปีทีเดียวเหลวงพ่อยัล ง, ออยงลําดึกถึงบุญคุณของผู้เท่ามากไม้แย่ยยจันทร์ แต่เป็นคนขี่โมโหสักหน่อยนะย่าจรรันนี่นะ <c oughs> ขันเบาปวดเือดฟูฟีฟูฟีฟูฟีรดดธรรมดาผู้เทาถังจะแหละ <c oughs> ผู้เทาผู้แก <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบหกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันพระนะลูกหลานคณะสัาาตยาดโยม <c oughs> <c oughs> เป็นวัน ที่หลวงพ่อให้สมาทานศินไหวพระสมาทานศินจบลงสักครู่นี้เป็นวันประกอบคุณงามความดีถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายวันไหนก็วันเก่าไม่เคยคิดประกอบคุณงามความดีเสลยมิเตหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงทองอ้องมันก็ไม่เหมือนไม่แพ้ ก, กันกับจัดสาลายสิงอยู่ในวัดของหลวงพอ่อเลี้ยงข้างบางชะนี พอตกมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปหากินใส่ปากใส่ท้องจากจากนั่นก็อนะ่ะพักผ่อนอยู่ตามอัตภาพของมันจากนั่นก็นหิวมาหากินอกีกมันไม่ได้ประกอบคุณงามความดีแต่เราก็คิดอย่างนั้นนะนะบางทีมันอาจจะดีกว่ามนุษย์ก็ได้มันอาจจะเห็นไหวเห็นพระอาจมันอาจจะไหวพระในจิตในใจเหตุพระพุทธรูปอาจจะมันอาจะยกมือไหวเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะลงใช่ไหมล่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามเราเป็นมนุษย์การสแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีพก็จําเป็นสําคัญแต่พร้อมกันวันพระ8ค่ำสิบหาค่ำเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะเราเป็นมนุษย์ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ สิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นโทษเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาในศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูสยามโพรู้แจ้งโลกพวกเราได้เป็นลูกศิษย์พุทธะอย่างน้อยเราควรจะประกอบคุณงามความดี8ปดคำสิบหําควรจะมีการไหว้พระอย่างน้อยต้องมีการไหว้พระเออวันนี้เป็นวัน8ปดคำสิบหําคำข้าพเจ้าจะไหว้พระ ไหวพระก่อนหลับก่อนนอนตื่นนอนเราจะไหวพระและเลือกถึงพุทธทางธรรมังสังขังพุทธโทธรรมโมสังโฆยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้หลับลึกไว้ือย่างน้อยอย่าลืมถ้าวันเราลืมไม่มีวันไม่มเีเดือนมีปีอะไรเลยเราเกิดมากันมะตมโมตมะปรายโนมืดมานะ แล้วก็ตโมตมปรายโนตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปคล้ายๆว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา ร, รู้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องคุณงามความดีพอเกิดมาก็รู้ ร, รูสึกว่าเกิดเท่านั้นเองจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่เรียกว่าตโมตมะปรายโนตโมตมะนะมืดมาแล้วก็มืดไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ในเมื่อพวกเราตโมตมะปายโยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างพวกเราได้มาวัดอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็บอกว่าให้ประกอบคุณงามความดีเน้อคณะจต่าญาติโยมลูกหลานตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะให้พวกเราคิดนะอะนำไปคิดดูซิจริงไหมใอ้แต่พวกเราก็นำมาคิดเนี่ยเห็นด้วยหรือกัปฏิบัติตนเป็นคนดี อันนี้เราว่าโชติเปรว่าแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเรามืดมาแต่เราได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังว่าโชติแปลว่ามีความชวดช่วงในจิตในใจของเราโชติปรายโนอันนี้ใครว่าตโมตมะปรายโญโชติเรามืดมาแล้วก็สว่างไปจะดีไม่ดีกว่าเหลือแต่ว่าเราเกิดมาเกิดมาได้เกิดมากับพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ พ่อแม่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ว่าโชติปรายโนแล้วก็มาศึกษาต่ออีกอ่าได้รับความรู้ความฉลาดอีกอันนี้ว่าโชติปรายโนโชติทั้งบืทั้งสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้เลิศประเสริฐแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้ น, นพอเกิดมาขึ้นมาแล้วก็โชติปรายโน อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่แนะนําสั่งสอนให้รู้จักรู้จักดบับบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้พบพระพุทธศาสนาให้รู้จักทําดีได้ดีนั้นลูกนะทําชั่วดีชั่วนั่นลูกนะอสอนแนะนําสั่งสอนโชติปรายญโหนแต่พอต่อมาไปคบหมู่คบเพื่อนคบคนไม่ดีคดภาลชนคบคนพาล ก็เลยตโมตมะนี่ตโมตมะโชติปรายโนตโมตมะคล้ายๆว่าเกิดขึ้นมาพ่อแม่แนะนำสั่งสอนเป็นคนดีจิตใจสะอาดแต่ไปคบกับคนไม่ดีไปเข้าใจผิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็เลยตโมตมะอันนั้นแย่มากพวกเราท่านทั้งหลายนะ เ, เกิดขึ้นมาเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้จักธรรมะธรรมโม พอต่อมาแล้วก็มืดบอดประมาทไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราว่าโชติปรายโนโตมโมตมะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายเลือกได้เกิดมาในโลกนี้เลือกได้เลือกดีเลือกเลือกดีเลือกชั่วได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเลือกคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วได้อย่างไงทําไมโง่นัก ทดลองเลยสิเท่าอยู่ด้วยกันเนี่ยปลุกปรับขึ้นมากันโตเตะซ้ายเตะขวาด้วยสิเออเอาคอดูเวี่ยงซ้ายเวียงขวาตีหัวเขากันเข้าที่ทำความชั่วขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เห็นฤทธิ์ทันทีละหละพวกเราก็จะต้องลุมจับกั น, นจากนั้นก็เข้าไปขังออกองขังนายุงสพตนายุงก่อนแหละต่อไปก็ดาเนินคดีแหละมันทาไม ผลนี่สูงกิจ้าเข้าคุกเข้าตารางถ้ามีการฆ่าฟันลันแทงกันเกิดเกิดขึ้นในกลุ่มของเราเนี่ยนู่นอ่ะเออเาไปขังลาดลาดยาวบางขวางไปเรื่อ ย, ยลึกไปเรื่อยเลยี่ยทําไมทําไมก็ว่าทำทำชั่วไม่ได้ชั่วทําดีไม่ได้ดีอมองมองดูแล้วมันนี่แหละทําดีในปัจจุบันทําชั่วในปัจจุบันในอนาคตก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราทํา กรรมชั่วกรรมดนะีมันส่งผลไปในอนาคตเออย่างพวกเราทําไม่ดีในวันนี้นะเราเราขี้เกียจใช่ไหมเราขี้เกียจเกิดมาแล้วขี้เกียจขี้เกียจเรียนหนังสือนะมันส่งผลไป เ, เดือนหน้าปีหน้าปีต่อไปพางนาเมื่อใหญ่ขึ้นมาแนละ้วคนขี้เกียจจะเป็นยังไง เ, เป็นยังไง อ, อันนี้สูงแห่งการขี้เกียจอย่างเบื้องตน้นเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยละ ทําชั่วจะได้ดีได้ยังไงอทําขี้เกียจจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรนี่แหละทําดีมันได้ดีเห็นเห็นอยู่แล้วถ้าคนมีปัญญานะถ้าคนโง่เจ้อย่างมองไม่เห็นอแนะนํำยังไงก็มองไม่เห็นเพราะคนตาบอดตาตาบอดปัญญาคนโบราณเขาว่าตาบอดใส่ตาเนี่ยมันวันตาใสอยู่มองมองเน่ะมองเน่ยตาใสอยู่แต่มันบอดมันมองไม่เห็นว่าตาบอดใส อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คนตาบอดทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างแต่ตาปัญญามันบอดนะแนวความคิดสติปัญญาของเรามันบอดนะเพราะฉนั้นให้พวกเรา็นนัรตัทยาดยมลูกหลานทุกคนเนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเยยดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งหลวงพ่อเยยดยามกิเลสเยยดยามความโง่เยยดยามที่ความไม่รู้นะ ตัววิชาเนะี่ยหลวงพ่อเหยียดยามถ้าท่านผู้รู้ผู้มีสติผู้มีปัญญาแล้วหลวงพ่อเชิดชูบูชายกย่องสนรเสริญผู้ที่มีสติมีปัญญามีแนวความคิดที่ดีรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อเชิดชูบูชาแต่ถ้าว่าพูดอะไรทําอะไรหัวชนฝาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนดันทุลังไปเรื่อยนะ หลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะอันนั้นแปลว่างโงา่เกิดมาแล้วก็ตะโมตะมะพระรายโนตะโมตะมะนะเนี่ยพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเมื่อเราทําเข้าไปแล้วนั่นแหะบุญกุศลนั่นแหะจะอยู่ในจิตใจของเรานานเท่านานให้พวกเราทําบุญประโยชน์สาธารณะประโยชน์อย่างวันนี้ก็ได้ทราบข่าวว่า ครูบาอาจารย์โรงเรียนกสิการจะมาทำความสะอาดช่วยพัฒนาวัดหลวงพอ่อเออถ้าเป็นไปได้ก็นั้นทางในโรงที่หลวงพ่อสร้างศาลาทางบ้านเมชีทางสานักชีนั้นต่อไปก็เป็นสานักของสู่เจ้านั่นะถ้าสู่เจ้าต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้เท่าผู้แก่ขึ้นมาอยากจะมารักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรม นั่นลหละหลวงพ่อไปสร้างให้สำนักสี่ให้ชู้เจ้าไปดูดูดแลๆให้ไปดูสิวะไปทำความสะอาดให้ทำความสะอาดปัดกวาดดูสิช่วยๆกันดูต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงเป็นเอกเทศเหนือทีก่กว้างอ ย, งอยู่40กว่าไร่เกือบห้าสิไร่หลวงพ่อก็ว่าน่าจะเพียงพอสำหรับฝ่ายอุบาสิกาปฏิบัติธรรมนะ รันหลวงวันนี้ค่ะลูกหลานทั้งหลายไปช่วยช่วยกันทําความสะอาดเนอะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดูดูเรื่องอาโหงอาหาร่พวกเราบ้านวัดของเราก็พอมีพอเป็นพอไปอยู่เออลี้ยงกันดูแลกันะหลวงพอมีแต่แนวให้แนวนโยบายแนวความคิดนะลูกหลานเลยพอหลวงพ่ออนาะยุกแก่เท่าชลาแล้วจะไปให้ดูงอกเงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่บอกลูกหลานทํ า, า, า, าทอย่างงั้นเนอลูกหลานทําอย่างนี้เนอ อันนั้นมันผิดเนอะอันนี้มันถูกเนอะหลวงพ่อมีแต่แนะนําอย่างนั้นนะ่ะเพราะหลวงพ่อนะแก่เท่าชลาไปเรื่อยๆแล้วลูกหลานเลยแต่ถ้าไม่พูดไม่จาอะไรเลยก็ไม่น่าจะถูกแต่ต่อไปก็คงจะหยุดพูดแล้วแหลอย่างครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่ผ่านมาท่านก็หยุดพูดเมื่อท่านเท่าแก่ชลาแต่หลวงพ่อพอพูดได้ยุพอแสดงความคิดเห็นได้ยุถ้าหลวงพ่อพูดผิดพูดถูก พูดแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำซากลูกหลานก็ควรจะบอกท่านลุงพ่อหลวงพ่อหลวงพ อ, พ อ, พอหยุดหยุดพูดได้แล้วหยุดพูดได้แล้วฮะลูกหลานก็ควรจะบอกหลวงพ่อนะแต่หลวงพอ่อบางที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดดินเพราะตัวเองพูดเหมือนกับเหมือนเหมือนก็ไม่เหมือนกับไม่ได้พูดอย่างนั้นแหละอผนแก่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายต้องมองมอ ง, มอ ง, มองดูหลวงพ่อเหมือนกัน <c oughs> อย่าต่อเนี่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอนะลูกหลานนะ